บทที่15การติดต่อกับวิญญาณผู้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับจิตยอมรู้สึกอดปลงสังเวชไม่ได้ในเมื่อได้รับทราบถึงความเข้าใจของชาวตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อทางวิญญาณซึ่งส่วนมากความเข้าใจเหล่านั้นล้วนเป็นความจริงชนิดกระท้อนกระแทน่นและมีความไม่จริงแฝงอยู่ด้วยเป็นส่วนมาก หรือไม่ก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถให้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ดังนั้นจึงทําให้เกิดความเข้าใจ ผ, ผิดไปได้เป็นอย่างมากข้อที่ดีที่อาจจะมีอยู่บ้างในปัจจุบันนี้ก็คือถึงแม้ว่าทฤษฎีและความเข้าใจของชาวตะวันตกจะมีผิดบ้างถูกบ้างก็ยังเป็นเครื่องยั่วยุให้พวกเขาเกิดความสนใจค้นคว้าสอบสวนและทดลองกันไปได้เรื่อยๆและบางคราวแม้จะเกิดมีเรื่องราวหลอกลวงต้มตุนกันด้วยเรื่องประเภทนี้ จนเกิดเป็นเรื่องชาวโชวขึ้นมาก็ยังมีผู้มองเห็นแก่นความจริงที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างพอสมควรก่อนที่จะพิจารณาปัญหาเรื่องนี้เราจะต้องการเอาการติดต่อทางวิญญาณที่เก๊หรือหลอกลวงอย่างแท้จริงและที่ครึ่งเก๊คือมีเท็จบ้างจริงบ้างหรือว่าหลอกลวงโดยไม่ตั้งใจออกไปจากวงเสก่อนเมื่อได้คัดไฟต่างๆเหล่านี้ออกไปจนหมดสิ้นแล้ว เราก็อาจจะแบ่งการติดต่อทางวิญญาณคือการติดต่อระหว่างมนุษย์บนโลกนี้กับมนุษย์ที่จากโลกนี้ไปแล้วได้อย่างหยาบๆเป็นสองประเภทคือการติดต่ออย่างต่ำและการติดต่ออย่างสูงการติดต่ออย่างต่ำแยกออกเป็นอีกสองอย่างคือการติดต่อกับวิญญาณที่ออกจากกายเนื้อไปแล้วแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์นี้เองประการหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดต่อกับเปลือกทิพย์หรือซากศพของกายทิพย์ชนิดหยาบที่ยังตกค้างอยู่ในภูมิชั้นต่ำในเรื่องเปลือกทิพย์นั้นดูได้จากบทที่17ที่ได้กล่าวไว้แล้วการติดต่ออย่างสูงคือการติดต่อกับวิญญาณที่อยู่ในภูมิทิพย์ขั้นสูงหมายความว่าวิญญาณเหล่านั้น ไม่ได้วนเวียนอยู่กับมนุษย์ในโลกนี้แล้วเป็นแต่ว่าท่านมาติดต่อด้วยเป็นครั้งคราวเท่านั้นการติดต่อวิญญาณที่มีแต่คุณประโยชน์วิญญาณที่อยู่ในภูมิโสูงขึ้นไปนั้นไม่ได้มีความอะไรในโลกมนุษย์เหมือนกับวิญญาณชั้นต่ำ แต่การที่ท่านมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นครั้งคราวก็โดยอาศัยความผูกพันทางใจซึ่งเคยมีด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ซึ่งอาจจะเคยเป็นสิทธิอาจารย์กันหรือเป็นญาติมิตรเพื่อนฝูงกันก็ได้และเป็นผู้ที่มีสภาวะทางใจเข้าถึงกันหรือว่าเข้าใจกันโดยในยะดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนสายสัมพันธ์ทางใจดังกล่าวโปรดทราบว่า เป็นสายสัมพันธ์ทางใจอย่างแท้จริงดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับความใกล้หรือไกลในเรื่องระยะทางในอาวากาศแต่อย่างไรเราอาจจะอุ ป, ปมารเรื่องนี้โดยคิดว่าความผูกพันกันในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นเสมือนหลอดไฟที่มีไส้เป็นใหญของวัตถุบางอย่างและใยนี้ก็คือสายสัมพันธ์ทางใจนั่นเองเมื่อบุคคลผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ คิดถึงบุคคลผู้ที่ละไปแล้วหรือโดยนัยยะอันกลับกันเมื่อบุคคลผู้ที่เป็นวิญญาณชั้นสูงนั้นคิดถึงมนุษย์ในโลกนี้ที่ตนต้องการจะติดต่อด้วย mm. ก็จะมีการกระเทือนติดต่อถึงกันซึ่งคล้ายๆกับว่าจะประจุดหลอดไฟดังกล่าวที่วาบขึ้นฉนั้น mm. การติดต่อแบบนี้ไม่มีโทษอย่างใดเกิดขึ้นเลยเพราะฝ่ายที่เป็นมนุษย์จะได้รับประโยชน์โดยประการต่างๆ เช่นได้รับคำปลอบประโลมใจในคราวเกิดทุกยากได้รับความคุ้มครองในเวลามีอันตรายและได้รับคำแนะนำพร่ำสอนให้เกิดสติปัญญาในการดาเนินชีวิตเป็นต้นมนุษย์จะรู้สึกเสมอว่าวิญญาณของท่านผู้นั้นสถิตอยู่ในที่ใกล้ตนซึ่งจะทำให้เกิดความอบอุ่นและความผาสุขเช่นเดียวกับที่ตนสามารถติดต่อกับมนุษย์ผู้มีศรัทธาอื่นๆฉะนั้นสายสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ จัดว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้ประการหนึ่งอย่างน้อยก็สำหรับมนุษย์ผู้สามารถกระทำเช่นนั้นได้แม้ว่าจะไม่มีผู้อื่นใดล่วงรู้เห็นด้วยก็ตามบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ดังกล่าวมาโดยในยน่านี้จะต้องเข้าถึงแล้วรับรองความจริงข้ อ, อนี้ด้วยความปีติยินดีในเมื่อเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสอ่านข้อความที่กล่าวมานี้ส่วนผู้ที่ยังไม่สามารถทาได้เช่นนั้น ก็อาจอานุมานถึงความจริงข้อนี้ได้โดยนึกถึงสายสัมพันธ์ของตนกับมนุษย์ผู้อื่นที่เข้าถึงใจกันได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะอยู่ไกลกันในด้านระยะทางสักเพียงใดเขาก็จะมีความคิดคำนึงถึงกันอยู่เสมอในรายเช่นนี้คือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้นมีบางรายที่ความใกล้ชิดกันระหว่างวิญญาณที่ยังอยู่ในกายเนื้อสองดวงนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นจริง จนเกือบจะเทียบเท่าการติดต่อหรือความสัมพันธ์กันในโลกทิปในบางขณะที่ยังบกพร่องอยู่บ้างก็คือยังไม่สามารถลืมกายเนื้อได้เป็นเวลานานๆเท่านั้นเราขอย้ำไว้ในที่นี้อีกครั้งว่าการติดต่อระหว่างมนุษย์ฝ่ายหนึ่งกับวิญญาณที่ละโลกมนุษย์ไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีประเภทที่สองนี้ไม่มีโทษภัยอย่างใดเลย การติดต่อวิญญาณที่มีแต่โทษการติดต่อวิญญาณที่มีแต่โทษก็คือการเรียกวิญญาณที่ลาโลกนี้ไปแล้วให้มาติดต่อได้เพียงเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นเพื่อเป็นเครื่องเล่นสนุกบ้างหรือเพื่อเป็นการโอ้อวดบ้างเจตนารมในการติดต่อวิญญาณดังกล่าวมานี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายในทางวิญญาณศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาเป็นอย่างยิ่ง และอาจมีอันตรายได้หลายประการประการแรกก็คือผลที่ได้รับจะไม่เป็นที่เชื่อถือได้เสมอไปในแง่ของมนุษย์ผู้ต้องการติดต่อประการที่สองคือการเรียกวิ ญ, ญญาณที่กลับมาอีกอาจเป็นโทษภัยแก่วิ ญ, ญญาณเองด้วยก็ได้ในกรณีที่ไปเรียกวิญ ญ, ญาณชั้นต่ำมากเพราะการกระทำเช่นนั้น เท่ากับเป็นหน่วงความเจริญของวิญญาณ น, นั้นทําให้ไม่สามารถพัฒนาไปได้ตามปกติแต่ต้องมาถูกแรงดึงให้ถอยกลับมาสู่ภูมิหยาบคือโลกมนุษย์อยู่อีกการกระทําเช่นนี้อาจมีผลทําให้วิญญาณ น, นั้นเกิดความงุนงงไปได้เรื่องนี้ถ้าจะเปรียบก็คล้ายๆกับเตือนความจำให้เด็กที่กาลังจะเติบโตคอยหวนระลึกถึงสภาวะที่แกได้ผ่านมาก่อนจะคลอดออกมาจากคันมาดา คือหมายความว่าถ้าหากสิ่งเช่นนี้เป็นไปได้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแกเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนั้นเลยวิญญาณที่ยังไม่สามารถคุ้มครองตอนเองได้อย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นควรจะมีโอกาสพัฒนาตนเองในทางวิญญาณเรื่อยๆขึ้นไปโดยไม่ต้องถูกรบกวนจากผู้ที่หวังดีอย่างโง่งเขลาและเห็นแกตัวโดยการเรียกมาเพื่อเล่นสนุกหรือเพื่อความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเอง ในกรณีเช่นนี้ขอให้ญาติมิตรของผู้ตายระลึกถึงอุปมาว่าสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งซึ่งเราก็ต้องการที่มันจะเริญงอกงามโดยรวดเร็วอย่างจริงใจแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราจึงถอนต้นไม้นั้นขึ้นมาจากดินเพื่อดูให้เห็นกับตาทุกๆวันว่าต้นไม้นั้นได้งอกรากออกไปยาวเพียงใดแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านลองคิดดูก็ได้ว่า ตนมาที่เรารักเอาใจใส่ระหว่างดีนั้นจะมีโอกาสเจริญงอกงามขึ้นมาตามธรรมชาติของมันได้หรือไม่แม้การติดต่อทางวิญญาณด้วยความประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อให้มาปลอบประโลมใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังและบอกข่าวให้ทราบว่าไปอยู่สบายดีหรืออย่างไรก็เป็นเรื่องที่มีควรทําเหมือนกันในกรณีส่วนมาก วิญญาณที่ถูกกระแสแห่งเสียงร้องเรียกดึงดูดถ้าจะกลับมาได้ก็มักจะกลับมาแบบคนละเมอเดินระหว่างหลับซึ่งเป็นภาวะที่ไม่มีสติควบคุมภาวะเช่นนี้ย่อมเป็นที่ไม่พึงปรารถนาทั้งในโลกมนุษย์และโลกทิพย์คือทั้งที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์และที่เกิดขึ้นแก่วิญญาณที่ละโลกมนุษย์ไปแล้วเพราะการกระทาอะไรดยปราศจากสตินั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญเลย การติดต่อกับวิญญาณในลักษณะเช่นนี้จะไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างใดทั้งแก่ฝ่ายที่เรียกมาติดต่อและแก่ผู้มาติดต่อตามเสียงเรียกร้องเพราะถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติซึ่งจะทำให้เกิดโทษขึ้นแก่ทั้งสองฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจจริงอยู่ในบางครั้งวิญญาณที่ละโลกมนุษย์ไปแล้วได้พยายามกลับมาหาญาติพี่น้องด้วยตนเอง เพราะเหตุที่ยังมีเรื่องห่วงใยบางประการซึ่งไม่อาจปล่อยวางได้ในการกลับมาเช่นนั้นก็ได้หาทางให้ผู้อื่นรู้เห็นด้วยประการต่างๆบางครั้งถึงกับปรากฏตัวเป็นร่างให้เห็นตรงๆเลยก็มีเรื่องเช่นนี้เป็นความประสงค์ของวิญญาณนั้นๆเองและเป็นเรื่องที่แม้จะผิดปกติธรรมดาแต่ก็ปรากฏว่ามีอยู่บ่อยๆเหมือนกัน ส่วนการที่วิญญาณจะกลับมาติดตอ่อกับใครข่ได้นั้นก็ต้องสุดแล้วแต่ว่าประสาจิตของตนจะสามารถเข้าติดตอ่อกับใครคนหนึ่งในโอกาสใดโอกาสหนึ่งแต่เมื่อการล่วงไปแม้วิญญาณประเภทนี้ก็ต้องรู้สึกตัวเห็นความไร้ประโยชน์ของการกระทำดังกล่าวและค่อยๆตัดความผูกพันจากโลกมนุษย์ไปได้ไม่ช้าก็เร็วซึ่งหมายความว่าเขาจะค่อยๆปรับตัว คือจิตใจของตัวให้เข้ากับสภาวะแห่งชีวิตใหม่ไปได้ทีละเล็กทีละน้อยข้าพเจ้าทราบว่าการกล่าวเช่นนี้อาจเป็นที่ไม่สบอารมณ์ของบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยหรืออาจจะทำให้เกิดความขัดเคืองก็ได้ในวงของบุคคลบางกลุ่มที่คิดว่าการติดต่อกับวิญญาณเป็นของดีโดยเฉพาะเพื่อการเล่นสนุกหรืออยากรู้อยางเห็น แต่ความจริงก็ต้องเป็นความจริงและข้าพเจ้าถือว่าการแจ้งความจริงให้ทราบย่อมเป็นผลดีกว่าการพูดเอาใจกันในทางที่ผิดเพราะเมื่อเรามีความรักอะไรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ควรปฏิบัติต่อเขาด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อให้เขาได้มีความสุขสมกับที่เรารักและหวังดีต่อเขาไม่ใช่ทาให้เกิดโทษแก่ผู้ที่เรารักด้วยอานาจความอยากและความโง่เขลาของเราเอง ซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งอย่าลืมว่าความพอใจหรือความสมใจของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เกิดความพอใจหรือสมใจแก่อีกฝ่ายหนึ่งเสมอไปดังนั้นการกระทำอะไรจึงควรคิดถึงในแง่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ความรักที่แท้จริงคืออะไรความรักและความหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นจะเกิดจากการเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้รับและความจริงข้อนี้ก็ควรนำมาใช้กับการติดต่อวิญญาณด้วยเราจะสแสวงหาความพอใจเพื่อให้สมปรารถนาของเราโดยไม่คิดถึงความทุกข์ยากของผู้ที่เรารักและหวังดีเลยทีเดียวหรือ วิธีที่ดีสําหรับเราก็คือการส่งกระแสความรักและความหวังดีพร้อมกับการตั้งจิตอธิษฐานให้กําลังใจแก่เขาเพื่อให้เขาวิวัฒนาการไปสู่ภูมิันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะเรียกร้องให้เขากลับมาหาหรือมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเพียงเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของตนเท่านั้นซึ่งในการนี้บางครั้งก็ได้ยินเพียงเสียงบ่นพึมพรรมํำเหมือนคนละเมอจากวิญญาณที่ถูกเรียกให้กลับมาเท่านั้นเอง และสำหรับพวกเราที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์นี้เล่าก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ว่าหากเราต้องการจะติดต่อกับวิญญาณจริงๆก็ควรจะหาทางยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าถึงวิญญาณของท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเพื่อผลคือเราจะได้มีความเข้าใจในเรื่องชีวิตและวิญญาณดีขึ้นเป็นลําดับการติดต่อแบบนี้เราสามารถกระทาได้ แม้โดยไม่ต้องมีการสนทนากันด้วยคำพูดแต่อย่างใดสื่อที่สำคัญของการติดต่อแบบนี้ก็คือสภาวะจิตที่สามารถเข้าถึงความเงียบหรือความสงบจากนิวรและการมาชันทะนั่นเองในภูมิทิพย์ชั้นสูงนั้นนอกจากวิญญาณสามารถติดต่อกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ โดยไม่ต้องอาศัยผ่านทางคำพูดแล้วยังมีความสามารถติดต่อกันได้แม้โดยไม่ต้องเห็นตัวหรือรูปร่างหน้าตากันอีกด้วยขอให้ท่านผู้อ่านโปรดนำข้อความเหล่านี้ไปลองคิดตรึกรองดูจงใช้ปัญญาของท่านด้วยความซื่อสัตย์และไม่ลำเอียงด้วยทัศนคติของจิตดังกล่าวมาดวงตาคือปัญญาของท่าน ก็จะสามารถเห็นความจริงได้ด้วยตนเองและจะได้ยินเสียงเรียกแห่งความจริงอันสูงสุดดังกล้องออกมาจากส่วนลึกของดวงจิตของท่านเองในไม่ช้า